บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้แสดงถึงข้อความที่ท่านเรียกว่าเป็นวัยพจน์คือชื่อที่ใช้แทนกันได้กับกรรมนิพพานมาโดยลำดำับซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายจะเห็นว่าไม่ว่าจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตาม ล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่ผู้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมะเท่านั้นจะสามารถสัมผัสได้ด้านแนวของการปฏิบัติทั้งหมดที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยามต่างๆพูดโดยสรุปง่ายๆว่าโดยความไม่ประมาทหรือพูดโดยรูปของใจสิกขาได้เกิดสีนสมาธิปัญญาหรือพูดทานศีลภาวนาหรือจะแม้ แม้จะใช้คำโดยนัยะอื่นแต่เมื่อกล่าวโดยส่วนผลแล้วผู้ปฏิบัติก็จะเห็นความจางไปคลายไปบรรเทาไปของกิเลสมีการลดไปของความทุกข์เห็นการเพิ่มพูนขึ้นการสมบูรณ์ขึ้นของกุศลและธรรมในแต่ละขอ้อได้ความเพิ่มขึ้นการดำรงอยู่นานขึ้นของความสุข นั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลงธรรมะปฏิบัติจึงเป็นแนวเดียวกับอาหารจะเรียกคืออย่างไงมีรูปลักษณะอย่างไงรสชาติอย่างไงก็ตามแต่พอรับประทานเข้าไปแล้วก็จะเกื้อกูลต่อการดํารงชีวิตของบุคคลต่ว น, นั้นตัวนั้นไม่จําเป็นจะต้องเหมือนกันอาหารไทยอาหารฝรัง่งอาหารจีนหรือแม้แต่อาหารชนชาติเหล่าอื่นตลอดทั้งอาหารสัตว์หรือแต่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เหมือนกัน แต่ว่าเมื่อกล่าวโดยส่วนผลแล้วก็จะเอื้อต่อการดํารงชีวิตกวามเจริญเติบโตของบุคคลเหล่านั้นถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบุคคลนั้นเท่านั้นจะสัมผัสได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้วไม่มีใครตอบได้ว่าอิ่มหรือไม่อิ่มนอกจากผู้ที่รับประทานเองธรรมะปฏิบัติก็จะเป็นเช่นนั้นคือปฏิบัติไปแล้วเราก็ไม่รู้หรอกคนอื่นไม่รู้หรอ ก, กว่าเราจะเป็นยังไง แต่เราก็จะรู้ได้ใจของเราพรนัยยะที่ท่านใช้คำว่าเป็นธรรมะที่ย่ำยีหรือว่าลดความรุนแรงของความมึนเมามาความว่าพระหันตงหลายนั้นจะทำลายความเมาในต่างๆออกไปได้ความเมาใหญ่ๆได้แก่เมาในวัยในชีวิตในความไม่มีโรค เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวมองในทรัพย์เมาในทรัพย์สมบัติเมาในลาบยศักสาชื่อเสียงเป็นต้นก็แต่ละยอย่าง ม, งมงันก็เมาตามปกติแล้วการที่ใจไปมัวเมา อ, อยู่ก็แสดงว่าใจเรามีกิเลสไม่รู้เท่าทันเร่องความจริงของสิ่งเหล่านั้นแต่พระหานั้นท่านไม่เมปาปาราสาคัญก็อยู่ที่ปุทุชนเราทำยังไงจะลดความเมา คือบรรเทาความเมาในไหวในชีวิตในความไม่มีโรคตลอดทึ้งในสิ่งต่างๆที่เกี่ยวเกี่ยวข้องด้วยความกํำนังระครยพอใจยินดีเชิญชมปีปาสวินโยเป็นธรรมะที่บรรเทาความกระหายคือดับความกระหายใช่ไหมความอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากจับต้องเย็นร้อนนอนแข็งต่างๆไม่มีอยู่ภายในใจของพระอระหันต์ทั้งหลาย แต่เราเองทำขนาดนั้นมันก็ไม่ได้หรือทํายังไงจะสามารถบรรเทาความกระหายในสิ่งต่างๆลงไปได้บ้างเป็นความอยากในสิ่งที่เกินฐานะของเราที่จะบริโภคใช้ซ่อยซื้อหาหรือครอบครองสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่บรรเทาความอยากเอาไว้ถึงจุดหนึ่งคุมไม่ได้ก็จะลุกอานาจเก่ับความอยากไปสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรที่เราพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันการโกงกินการช่อชนในลักษณะต่างๆ ในความบาคนหล่นนั้นก็หยุดความอยากในจุดนั้นไม่ได้เราก็รู้อํานาจแก่ความอยากก็ทําอะไรลงไปคนระดับพระหานั้นแม้จะยั่วให้อยากแต่ก็ไม่อยากอย่างที่เราศึกษาพุทธประวัติตอนที่พระเจ้าถูกนางตหาราคาราจิยดยวนหรือแม้แต่พระยาสาวกทั้งหลายที่ประสบปัญหาการยวยวนจากกลุ่มบุคคลต่างๆทั้งก็สามารถบรรเทาความ ระหายในอารมณ์ดอ น, น, นได้แต่ตรงนี้ของท่านไม่ใช่เรียกว่าบรนเทาคือดับไปแล้ววการบั บ, ก, บกของเราทั่วๆไปก็คือพยายามบรรเทาอาญยะสมุคขาโตคือถ่ายถอนความอาลัยความสิเนหาอาลัยโดยเฉพาะอ ย, าอย่างยิ่งคืออารมณ์ในอดีตอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ลดอารมณ์ในอดีตลงไปประสาชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าการพลาดพราดสูญเสียในอดีต สร้างความทุกข์ระทมหมนไม่กรอบเกลียบขึ้นภายในใจของเราโอ้าอะไรทึ้งสิ่งเหล่านั้นต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการคบหาสมาคมต้องการพบเห็นหน้าตาต่างๆไปตุนบางรั้งบางคราวเราจะเห็นได้ชัดกว่าเช่นในวันตายของคนที่เรารักหรือเห็นภาพถ่ายของคนที่เรารักหรือพูดคุยกันถึงคนที่เรารักที่ตายจากไป จะรู้สึกเศร้าโศกจะรู้สึกหดหู่จะรู้สึกทุกข์ทรมานใจถามว่าทําไมจึงเป็นเท่านั้นนั่นก็เพราะความอะไรซึ่งบางครั้งมานใช้คําว่าความสินเนหาอะไรก็ให้เกิดความเชื่อใจในวัตถุในบุคคลในสิ่งในสัตว์เหล่านั้นควานทั้งหลายนั้นท่านไม่มีเพราะในการปฏิบัติก็ไม่ใช่ถึงกับไม่มีแต่ทํำยังไงว่า จะตัดใจจากอารมณ์เหล่านั้นลงไปได้ปั๊กข้อที่สี่ที่เรียกว่า ว, วัตตูปเฉโดเปรตธรรมะที่ตัดวัตตะนี่เป็นการแสดงสถานะของพระหันทั้งหลายบุคคนเหล่านั้นมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏจะเป็นอะไรก็ตามก็เรียกว่านับจากพระนาคามีลงมาก็อยู่ในกลุ่มที่ยังหมุนวนทั้งนั้น หมายความว่าต น, นั้นยังมีกิเลสยังมีกรรมคือการกระทำที่เป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างมาทำไปแล้วก็รับผลก็กลายเป็นวิบากเกิดพอใจเกิดไม่พอใจในผลก็เกิดกิเลสขึ้นในตัวผลอีกก็กระทำกรรมไปอีกแล้วเกิดเป็นผลขึ้นมาอีกก็หมุนวนกันอยู่อย่างนี้ที่เราจะเห็นว่าการนบุญวนในแง่ของวัตตนนั้นไม่ต้องดูไกลๆก็ดูขณะใกลๆ ฉันเราพอใจติดใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งฉันพอใจในการดูสมมุติว่าดูมรสุภูทุรทัศน์อะไรก็ได้ถ้าขาดการดูไม่ได้เพราะงั้นเมื่อดูไปแล้วมันก็เกิดเป็นกรรมคือการดูก็ผลของกรรมคือความเพลิดเพลินความสนุกสนานไอ้ตัวผลนั้นก็ถูกเก็บไว้ภายในใจ พอรุ่งเช้ากเกิดความอยากอีกแค่เราติดตามละครบางครั้งก็ติดตามมาจนจบนั่นก็แสดงเห็นว่ามันมีลักษณะของกิเลสกรรมวิบากที่หมุนกันอยู่ในวิถีชีวิตของเราพอเกิดกิเลสก็เป็นเหตุทํากรรมทํากรรมก็เกิดพอใจในตัวผลกรรมกิเลสมันก็เกิดต่ออีกก็ดูกันอีกดูตัวอย่างการติดตามละครที่มีการแสดงไปตอนๆ น, นะคนจะเห็นได้ชัดว่ามันหมุนวนกันอยู่อย่างนี้ในสุดปบะกอกกับการยึดติด จะเป็นไหนมาไหนถึงเวลาที่จะดูละครก็ต้องรีบปรับมาแต่เกิดไม่ดูจะรู้สึกเสียดายมากๆและจึงเห็นอาการอย่างหนึ่งอีกขึ้นมาก็คือนอกจากตัณหาแล้วในมันมีอุปาทานคือใจที่ไปยึดมัน่นหรือมั่นในสิ่งเดียานั้นคล้ายๆกับเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เมื่อก่อเกิดความพบคือเกิดสภาวะขึ้นภายในใจที่รู้สึ ก, กผูกพันเื่อใหญ่คล้ายๆกับเป แยกกันไม่ออกระหวังเรากับสิ่งเหล่านั้นทั้งๆที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยลักษณะของความยึดติดเหล่านี้ก็ยึดติดไปแม้ในแผ่นฟิล์มซึ่งที่จริงก็เป็นเงาเป็นคลื่นแสงเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นตัวตนบุคคลจริงๆแต่เราก็ยึดติดในฐานะเป็นคนเราสุขเราทุกข์เราเดือดร้อนเราดีใจเราหัวราะร้องไห้กับการแสดงของบุคคลเหล่านั้นจึงเห็นอาการของกิเลสที่ซ้ําซ้อนกันอยู่ในระดับต่างๆเปน็นอันมาก ประารนั้นท่านตัดท่านตัดวัตตะได้ทุกๆเรื่องทุกๆจุดวัตตะในช่วงยาวคือการตายไปแล้วจะต้องเปนเกิดในกำเนิดใดกำเนิดหนึ่งตามแรงของกรรมท่านก็ตัดตัวกิเลสไปแล้วเมือ่อเมื่อกิเลสดับบุญบาปก็ดับประหารท่านเรียกว่าเป็นบุญญะป่าปะ ป, ป, ปีโนโคือละได้ทั้งบุญและบาปเราก็ล่าบุญบาปยังไม่ได้ คำสอนมันจริงแนวของการลดกิเลสเพราะบุญบาปนั้นมันสืบเนื่องมาจากกิเลสพอลดกิเลสลงไปเนี่ยการกระทำเราก็เป็นบุญเพิ่มขึ้นเป็นบาปน้อยลงอยอะที่เคยยกตัวอย่างประการปฏิบัติธรรมะที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองแนวลึกมันก็มีไม่กี่ข้อเราอาจจะพูดเพียงสามข้ออย่างได้คือพูดจากมโนสุจริต แล้วก็เชื่อมต่อกันมานะครับหมายความว่าความโลภที่ผิดศีลผิดธรรมก็คือโลภแล้วไปละเมิดในสิทธิ ท, ทางทรัพย์สินทางคู่ครองทางผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตรงนี้เราจะเห็นว่าแรงคือกิเลสก็แรงก ร, รรมก็แรงแล้วก็บาปก็แรงบางทีก็ต้องติดคุกติดตารางบางทีก็รุนแรงจ่ถุกประหารนั้นก็แสดงว่าโลภแรกเกิดไป ไม่ได้คำหนึนึกถึงความเดือดร้อนของบุคคลอื่นที่จะเกิดขึ้นจากความโลภของตนเองอกลายเป็นการกระทาที่ผิดศีลผิดกฎหมายแต่บางอย่างมันไม่ใช่ผิดไม่ได้ผิดกฎหมายแต่มันผิดคุณธรรมไม่ถึงก็ผิดศีลด้วยทัําไปเช่นแนวมโนทุจริตที่ทรงแสดงว่าโลภอยากได้ของบคนอื่นท่านสาจนรณชนต่งางๆเห็นว่าความโลภในลักษณะนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร ไม่ได้ผิดกระหนบรำเนียมประเพณีวัฒนธรรมอะไรแล้วก็ไม่ผิดศีล ร, ร, ระดับกายระดับวญญาจาแต่มันผิดมโนธรรมผิดกุศลและเจตนาที่ทนเรียกว่าเป็นมโนทุจริตคือเป็นความคิดที่ผิดเพราะความคิดที่ผิดนั้นคือคิดแล้วใจมันร้อนคนนี้อย่างที่เคยเล่าถึงคนแสดงมรสุม คือแสดงการเต้นรำการได้รำคนหนึ่งที่มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วกราบถูนถามโดยท่านเองมีความรู้สึกว่าอาชีพของท่านนั้นเป็นอาชีพสร้างสารรค์พัฒนาหมายความให้ความบันเทิงแก่ท่านแก่บุคคลอื่นด้วยและแก่ตนเองด้วยการกระทำของท่านท่านยังถือว่าเป็นบุญ เด็กก็สั่งสอนกันมาอย่างนั้นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนก็สั่งสอนกันมาอย่างนั้นว่าการกระทําอย่างนี้เป็นบุญตายไปแล้วจะบังเกิดเป็นเทพซึ่งมีความเพลิดเพลินรื่นเรืองอยู่ตลอดเพราะว่าเคยทำสร้างความเพลิดเพลินรื่นเริงแก่คนอื่นท่านมากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าคำสอนครูบาอาจารย์ที่สอนว่าการกระทําอย่างท่านนั้นได้บุญจริงหรือเปล่าพระุทธเจ้าเราสั่งว่าอย่าถามเลยคือไม่ต้องการจะบอก ว่าพวกเธอจะไม่สบายใจวกว่าเธอจะไม่สบายใจแกก็พยายามอ้อนวอนขอร้องในพิธีการต่างๆในสุดพระเจา้าขอทรงแสดงให้ เ, เห็นว่าการกระทำํำแล่เนี้ยมันเป็นบาปเป็นบาปเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไม่มีราคะเราไปกระตุ้นให้เกิดราคะขึ้นมาคนทีมีโทสะคือหมายความว่ากิเลสมันสงบอยู่เราก็ไปกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะกระตุ้นโมหะกระตุ้นโลภะให้มันเกิดขึ้นภายในใจของคน คน พ, พอแสดงไปมากๆเนี่ยคนที่ดูกับคนแสดงจะต้องฟูกิเลสขึ้นมาด้วยกันเพราะถ่ายทอดลักษณะของกิเลสไม่ได้ถ้าไม่มีกิเลสท่านก็มากความกิเลสก็เกิดภายใน ใ, นใจท่านก่อนจะเป็นการเพิ่มบาปให้แก่ตนเองและบุคคลอื่นในชั้นนี้ถ้าเรามองถึงกฎหมายมันก็ไม่ผิดกฎหมาย แต่ว่าเป็นการผิดศีลระดับอุโบสถตศีลสำหรับคนที่ไปดูนัจจายตวานิตะวิสูกทัศนานั้นเราเห็นว่าทำเองหมายความว่าทำเองเป็นการกระตุ้นแนละเกิดขึ้นภายในใจตัวเองหรือว่าดูการกระทำการเล่นของบุคคลอื่นในแนวศีลอุโบสถศีลแปก็หมายความว่ากิเลสยังผูกขึ้นภายในใจ เพราะว่าทำยังไงยังไงเนี่ยมันจะมีอยู่ในระดับหนึ่งเพราะในแนวการปฏิบัติพอถึงชั้นที่4เนี่ยชั้นที่4ี่คือหลังจากตัวอย่างเช่นว่าการฆ่าการใช้คนอื่นฆ่าเนี่ยก็หนึ่งสองชั้นแล้วก็ยินดียกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าหมายความว่าจิตใจเราประกอบด้วยกิเลสประกอบด้วยความโลภ วันจีมันจะเดินมาถึงจุดหนึ่งคีบกรอบด้วยเมตตาในคนในสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ฆ่าผู้ถูกฆ่าแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้ฆ่าหมายความว่ามีเมตตาเสมอการพอถึงชั้นนี้ก็จึงเป็นเป็นชั้นอรธรรมะจริงๆเป็นชั้นที่เข้าถึงใจจริงจริงนั่นแนวปฏิบัติที่เรียกว่าแต่ ถ, ถอนวัตตะบางอย่างโดยการพยายามที่จะลดกิเลสมาให้เกิดการหมุนบนในสังสารทุกข์ เกิดก็ควเกิดแต่ทํายังไงย้ายตกนรกย้ายเกิดเป็นเปรตย้ายเกิดเป็นอสุรกายย้ายเกิดเป็นสัตว์ดิบฉันถ้าเกิดก็เกิดเป็นคนเอาเกิดเป็นคนก็เกิดดีๆหน่อยมีรูปร่างหน้าตาดีสุขภาพพานามัยดีสติปัญญาดีสกุลดีมีศักดิ์มีฐานะดีมีเกียรติยศชื่อเสียงดีซึ่งเมื่อกลายเป็นอาการของกรรมสองช่วงหมายความมาเป็นผลก็ว่ดีตกรรมประการเด่นเป็น ผลของปัจจุบันกรรมที่บุคคล อ, อ น, นั้นประพฤติกระทำอิประการหนึ่งถามมันยังหมุนวนอย่างไรวัฏฏะไม่ก็คงหมุนแต่หมุนดีหน่อยตอนนั้นจะเห็นได้ว่าปโสรดาบันเองก็หมุนหมุนในในสังสารวัฏเหมือนกันแต่ท่านก็ถูกจํากัดโดยเวลาว่าอย่างมากเนี่ยไม่เกินเจชาติต้องเกิดอีกไม่เกินเจดชาติทัศกริยามีก็ยังหมุนแต่ก็ไม่เกินสองชาติ พระนาคามีเองก็ยังหมุนเดี๋ยวไม่เกินหนึ่งชาติเพราะคนที่ไม่หมุนจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายพระปฏิเกพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ที่พระเจ้าทรงแสดงสถานะของพระองค์แก่พระปัญจวัคคีย์หลังจากที่เบงซัสรู้แล้วว่าก็ l ยา a ได้บังเกิดขึ้นแล้วภายในใจเราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพวกใหม่ไม่ได้มีอีกต่อไปแล้วซึ่งหมายความพระเจ้าตัด วัฏะทั้งหมดคือตัดกิเลสตัดกรรมตัดวิบากแต่สิ่งที่ตัดจริงๆไม่ใช่ตัดตรงนั้นคือตัดเฉพาะตัวกิเลสเพราะอะไเพราะกรรมคล้ายๆกับผลไม้วิบากมันก็เบิกกระดอกไม้อีกไม้อะไรต่อไรข้างบนน่ยนะแต่เราต้องการตัดที่จริงเราก็ตัดที่โคนตัดที่โคนแล้วข้างบนจะมีอะไรบ้างก็ตายไปหมดกิเลสทั้งหลายก็มีชื่ออย่างนั้น มันเป็นกระบวนการของมันเพราะาเราตัดตัวเหตุจริงๆข้างบนก็จบกันทำลองคลายน้ำจะมันไหลลงมาจากทางเหนือถ้าเรากั้นไว้ที่ข้างบนให้เต็มที่มีที่กักเก็บน้ำไม่ได้น้ำมันก็ไม่สามารถจะไหลลงมาได้ธรรมะคือกิเลสก็กิเลสทั้งหลายก็มีลักษณะอย่า ง, งนั้ ให้ความเมื่อกุศลธรรมเพิ่มพูนขึ้นภายในใจเต็มที่มันก็หยุดกระแสะกิเลสได้หยุดกระแสะสังสารวัฏได้ข้อต่อไปทรงใช้คําว่าตันหักขยโญคือความสิ้นไปแห่งตันหาทัาง้งหลายข้อนี้ก็ตรงกับที่ทรงแสดงไว้ในเรื่องนิโรธนิโรธที่ทรงใช้ความหมายห้าความหมายว่าความดับตันหาอย่างสิ้นเชิง การสละตัณหานั้นการถ่ายถอนตัณหานั้นออกไปจากจิตจิตหลุดพ้นจากตัณหาแล้วก็เป็นการหลุดพ้นโดยไม่มีอะไรนั่นก็คือทรงสแสดงไว้ในธรรมจักรวัตนาสูตรที่จริงก็คือกันหมายความว่าอาการของกิเลสจะเรียกชื่ อ, อย่างไงก็ได้ในที่นี้ทรงใช้คำว่าตันหักขยโยคือการสิ้นไปของตัณหา หมายความว่าแม้จะมีอารมณ์มากระทบจากข้างนอกปรุงแต่งกันมาอย่างดีรูปสวยๆสวยเสียงไพเราะกิก่นอมอมรสร่อยสัมผัสหนาจับต้องใจก็ไม่แฟบไม่ผูกับอารมณ์ที่มากระทบตอนนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างเรื่องพระพุทธเจ้าต้องเผชิญหน้ากับต่างตานาราคาละจีซึ่งนางตังสามบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าเป็นสามัญชนเรออาจะลืมมาตอนนั้นประชดประยุแค่สามสิบหกเท่านั้น ถ้าเป็นสามัญชนแล้วไม่ลุกขึ้นมาร่วมรื่นเริงยินดีกับพวกเธอเนี่ยจะต้องหัวใจแหลกสลายไปได้หรือหมายความว่าช็อกตายไปได้แต่พระเจ้ากระปับกระโดดเพราะอะไรว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดชื่นชมยินดีนั้นไม่มีบางทีท่านบอกเป็นการดับโดยไม่มีเชื้อที่เราสามารถจะมองเห็นโดยภาพอุปมาเทียบเคียงว่า มันเหมือนกองไฟกองนี้มีการลุกโพรงอยู่ตลอดเวลามีเชือกมาใส่เชือกมาใส่เชือกมาใส่ ม, ใสมันก็ลุกโพรงจะได้ช่วนาตาปีหรือจะกี่ปีก็ได้นะถ้าไฟยังอยู่เชือกไฟยังมีอยู่มันก็ลุกไหม้ได้ตลอดอย่างที่ท่านบอกว่ากองไฟที่ท่าท่ า, าสาอัศเมตในประเทศอินเดียที่มีการเผาศพกันมาตั้งแต่ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าแล้วไฟก็ไม่เคยดับจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่เคยดับ ก็โผลกันแบ ต, ตลอดนั้นแสดงว่าถ้ามีเชื้อมันก็ลุกไหม้ได้ตลอดแต่พระหันทั้งหลายท่านไม่มีเชือ้อเพราะจิตใจของท่านก็เหมือนกับกองไฟตรงนี้แหละแต่มันดับมอดไปหมดแล้วต่อมาเราเชื่อมากองอย่างดีมันก็ลุกไหม้ขึ้นมาไม่ได้เพราะเชื้อมันไม่มีจิตใจของบุคคลเราทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนี้น พรแนวตันหักประโยชน์นั้นให้มองดูว่าความอยากบางอย่างในเรื่องหลายๆเรื่องในสิ่งที่ได้เห็นได้ยินในสุดลมได้ลิ้มได้จับจ้องอย่างที่ว่านีมีเป็นอันมากที่เราไม่อยากทีจะลองถามใจตัวเราดูว่าไอ้ที่ไม่อยากเพราะอะไรบางอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยชอบมาก่อนบางอย่างมันไม่ใช่เรื่องของของเรา มีรถน้อยๆมีเรือน้อยๆมีตุ๊กตามีของเล่นอะไรต่างๆมากมายเกิดไปหมดเราไม่เกิดความอยากนั้นแสดงือว่าปัญญามันเกิดรู้เห็นําความเป็นจริงว่านี่เป็นของเล่นเด็กเราไม่ใช่เด็กหลักเราก็ไม่อยากได้จริงเราแต่ว่าถ้าใจเรายังมีเชือ้อมันก็เหมือนกันหลิงที่ส่งอุปมาเมือนกันหลิง ก็มันวางกิ่งหนึ่งจริงแต่ไปคว้าอีกกิ่งหนึ่งแล้ววางอีกกิ่งหนึ่งก็ไปคว้าอีกกิ่หนึ่งมันไม่หยุดมันไม่หยุดคว้าแต่แกก็ไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นตลอดเพราะตัญหาบางครั้งยึงส่งแสดงว่าวิสัติกาคือสัน้นคือเล่นแล่นแบ่งไปในอารมณ์ทั้งหลายหรือสายไปในรมณ์ทั้หลายบางคับจะให้สายแล้วเราก็เห็นได้ชัดนะฮะบางครั้งเช่นมีการแสดง หรือมีการอะไระแข่งขันฟุตบอลหรือการต่อยมวยหรืออะไรต่อะไรเนี่ยซึ่งตาเราต้องวิ่งตามการกระทําของบุคคลตรงนั้นโดยเฉพาะเพาคนไม่นิ่งเพราะมันใจมันถูกตันหาบางังคับให้สายจะสายก็เล่นตามไปดีเลยหาคนนั่งนิ่งได้อยากโดยเฉพาะที่มันถึงมันเวี่ยงไปเวี่ยงมาจะลูกฟุตบอลหรือว่าการตีบาสเกตบอลอะไรต่ออะไนเนี่ยลูกมันวิ่งไปวิ่งมาตาเราก็วิ่งตามไปดีเลย ถามว่าใจสงบไหมมันก็ไม่สงบจึงเป็นรู้สึกเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วจะไปใหญ่เห็นเพื่อนเราเล่นไม่ค่อยดีเราก็ตกใจเสียใจป่วยจะภายแพ้เพื่อนเราดีใจเราก็ฟูขึ้นผลใจมันจะฟูขึ้นจะฟุบลงกับการเล่นของเพื่อนเราแล้วไม่จะฟูขึ้นพุบลงเฉพาะเพื่อนเราถ้าเราถือเพื่อนเรามากๆมันไปฟูขึ้นฟุบลงกับคนที่ไม่ใช่เพื่อนเรา เพื่อนเราชักเล่นดีซึ่งน่าจะยกย่องเช่นชมอยู่ดีกลับเกิดโทรธสะครัวจะชนะเพื่อนของเราพเพื่อนเล่นไม่ดีคือคนตรงกันข้ามกับเพื่อนเราเล่นไม่ดีเราเกิดดีใจอันเป็นอาการซ้ำเติมคนถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใต้การบงการของกีดแต่ในตรงเนี้ยถ้าเราไปมองที่ หลักคติแบบไทยๆ ท, ที่ท่านสอนเช่นว่าคนล้มขับอ่าไม้ล้มขัาได้คนล้มอยากรับเพราะเลไรเพราะว่าคนล้มนั้นเราต้องมีเมตตากับมีการุณามก็กมีอุเบกขาบางอย่างก็การุณาได้คือช่วยเหลือได้แต่มุติตาไม่ได้ถ้าเรานอกวิสัยก็ทำอะไรไม่ได้ก็ใช่อุเบกขาคือวางเฉยแต่ทามุติตาก็ผิด ทำไม่เมตตาก็ผิดทำให้กรุณาในบางการณีคือกรุณาทุกกรณีไม่ได้ในบางการณีก็ได้แต่เมตตาก็คงเป็นฐานใจยอยู่นั้นแสดงถึงว่าธรรมะมันก็ปรับปรับไปตามความเปลี่ยนแปลงของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของอารมณ์นั้นแนวตรง ต, ตันหักกระโยก ค, คือความสิ้นตันหาจริงๆแล้วกวารวฏิธรรมะทั้งหมดมันก็มุ่งไปสู่ความสิ้นตันหา แต่เพิ่งสังเกตว่าระดับทานระดับศีลเป็นข้อปฏิบัติในแนวการคุมตัญหาคือไม่ให้สายเกินไปให้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่อยู่แล้วส ง, งบอยู่แล้วเย็นอยู่แล้วเป็นสุขซึ่งเรามองดูในแนวฐานแนวศีลก็จะเห็นได้ชัดว่าแนวศีลเช่นศีลห้าประการนั้นก็คงมีตัญหาแต่อย่าถึงกับไปฆ่าเขา อย่าถึงก็ไปลักทรัพย์เขาอย่าถึงก็ไปล่วงละเมิดในคู่ครองของเขาอย่าถึงโอหกเป็นการล้างผลาญคนอื่นอย่าถึงก็ตกเป็นสิ่งเสพติตในโทรถามาโาลบไมมมาก่อโลบมีการมาตัณหาหาไหมก็มีมีภาวะตัณหาไหมก็มีมีภาวะตัณหาไหมก็มีเพียงแต่ว่าคุมทิศทางก็ตัณหาไปได้ก็ไม่ถึงกับเป็นอันตรายเพราะตัณหาเหล่านั้นในระดับศีลธรรมจริยธ ผมถึงระดับที่ประนีตขึ้นไปเราเห็นว่าบางเรื่องมันไม่ใคยเดือดร้อนอย่างศีหนาประการมีคนเดือดร้อนแต่การกินข้าวเย็นการงดเว้นดูมรสพมูการเล่นต่างๆงดเว้นจากการขับร้องประโรมดนตรีดิสดสีตีเป่าและดูการเล่นต่างๆถ้าทรงประดับประดาร่างกายระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทา นอนบนที่นอนซีสุกที่นอนสูงที่นอนใหญ่ภายในมีโน่นมีนี่นมมข้างลางวิจิตเ ง, งางาเราจะเห็นว่าจริงไม่มีใครเดือดร้อนใครมีก็นอนไปใครมีก็ใช้ไปแต่เรารู้โทษว่าถ้าตรงนี้ต่อไปมันตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมันมองเห็นอันตรายเพราะต้องการจะตัดกระแสะตธหาบางกระแสะออกไปแล้วมางดเว้นบริภโภคอาหารเท่าที่ร่างกายมันต้องการเพราะอาหารนั้นจริงๆมันเป็นอาหารกายไม่ใช่อาหารใจ แนวการปรุงโวยแรงมาตัรหาอยากกินอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นขนาดอย่างนั้นสีอย่างนั้นดูในด้านนั้นด้านนี้มันก็ที่จริงก็วุ่นคือแสดงว่าถูกตัณหาผากใสเสือกใสไปเยอะมากขึ้เพราะในคําสอนที่เราเห็นได้ว่าที่จริงมันก็ลดตันหาเจนโพเจเนมตันยูจารู้จักประมาณในการบริโภคปัจจาหารจะมากหรือน้อยก็ตามก็กินไปให้ร่างกายชีวิตดํารงอยู่เท่านั้นเด็เหมือนกับน้ํามันหยอดเครื่องเรือยน์รถยนต์ ให้รถมันไปได้ได้เรือไปได้ต่นนั้นก็พอแล้วตรงนี้เพิ่งสังเกตว่าที่จริงแนละ้วทั้งหมดมีตันหามีการมาตันหามีว่าตนามีมีวิววปะวะตหาเพียงแต่ว่าก็พยายามที่จะคุมกระแสของตนาเหล่านั้นไว้ได้ไม่ถูกตนาพัดผันจนเลื่อนไหลไปตามกระแสของตนาอาการต่อไปวิราคเวลาคัที่จริงก็อาการเดียวกับการมาตันหา หมายความจิตใจปราศจากความกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีกระสันอยากไขว้าปรารถนาต้องการครอบครองถือครองสิ่งคนด้วยอำนาจของความใคร่ความปรารถนาความพอใจแต่เราะเห็นว่าเรื่องนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องของความคิดในพระเจ้าทรงแสดงว่าสังกัดปราโคบริษัทสกาโมความดำริหรือความตรึกนึกไห รูปนั้นสวยนะเสียงนั้นไพเราะนะกลิ่นนั้นหอมหน่ารสนั้นอร่อยนะสัมผัสนั้นน่าจะต้องนะมันคิดไบ่อยๆไปเด็กกีดเด็กมันก็ฝึกคิดพระอันทั้งหลายนั้นท่านไม่มีเชื้อของการมราคะาผลจิตของท่านจึงกลายเป็นวิราคะหรือ ว, ว่าปราศจากราคะคือความกำหนัดความพอใจความชื่นชมยินดีในคนในสัตว์เราท่า น, นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงที่ เรายังต้องศึกษาและก็ประพฤติปฏิบัติธรรมะต่อไปก็คือนิโรธซึ่งเคยอธิบายมาแล้วในในัยยะของอริยสัจนิโรธก็คือปราศจากสิ่งเสียดแทงแล้วก็จบลงที่นิพพานชื่อทั้งหมดเป็นชื่อของนิพพานแต่เป็นภาษาใจที่อาศัยการปฏิบัติจนสัมผัส เราปฏิบัติไม่สัมผัสมันก็พูดไม่ได้อธิบายไม่ได้ทํานองคล้ายๆอธิบายรสเปรี้ยวหวานมันเค็มของอาหารที่รับประทานเราอธิบายไม่ได้เราจะส่งให้ชิมเอาถ้าพูดก็แค่คล้ายๆอย่างนั้นทำนองนั้นนะหวานคล้ายๆงันเปรี้ยวคล้ายๆงันมันก็พูดแค่คล้ายๆแต่สัมผัสตรงไม่ได้นอกจากกิน ผลจากธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะว่านิโรธหรือนิพานจึงมีชื่อเรียกแทนอยู่เป็นจำนวนมากร่วมร้อยคือเพราะเพราะเอาไว้จริงแล้วเป็นภาษาใจดังกล่าวแต่ผลเหล่านั้นที่จริงเราสัมผัสในระดับในแต่ละระดับโดยการศึกษาโดยการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเพิ่มพูนขึ้นความหนักแน่นขึ้น ข, นของศีลสมาธิปัญญา จะะท้อนอาการเหล่านั้นให้ประจักษ์ใใจของบุคคลทั้งหลายส่วนผลจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นเรื่องของเหตุที่บุคคลเหล่านั้นต้องประกอบกระทำด้วยตนเองต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสึกต่อไป